คนเราเวลายอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันบางครั้งก็จะมีปัญหาแบบนี้นะคือมีบางคนที่กินแรงกินแรงของเพื่อนเพื่อนะก็มีคนสงสัยว่าการกินแรงเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันผิดศีลหรือเปล่านะถ้าหมายถึงศีลห้านี่ก็คงไม่ผิด น, นะนะถ้าออว่าคนที่กินแรงนี่เขาไม่ โกหกเช่นรับปากแล้วไม่ทำหรือว่าอ้างเหตุผลที่เสกสรรปันแต่งขึ้นมาว่าไม่สบายนะกำลังมีงานยุ่งเลยช่วยงานเพื่อนไม่ได้หรือช่วยงานางส่วนรวมไม่ได้บางทีก็หายหัวไปเลยเนี่ย แ, แบบนี้ก็ผิดศีล น, นะผิดศีลข้อมุสาแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ได้โกหกนะเพียงแต่ว่าไม่ยอมที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆนทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่อย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ผิดศีลห้านะแต่ว่ามันก็ผิดศีลในความหมายที่กว้างนะศีลนี่แปลว่าการประพฤติ ท, ที่ถูกต้องดีงามนะโดยเฉพาะทางกายวาจาศีลนี่จะไปคิดว่ามันมีแค่ศีลห้านะศีลในความหมายที่กว้างเนี่ยมันไปรวมถึง ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรืออย่างแรกก็ไม่เอาเปรียบนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าผิดศีลถึงแม้จะไม่ใช่ศีลห้าก็ตามแต่ที่จริงแล้วถึงแม่ไม่ผิดศีล น, นะมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญผู้เจ้าจัดว่าเนี่ยคนมีสี่ประเภทนะประเภทแรกคือ ไม่ทําทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านประเภทที่2ก็คือทําประโยชน์ตนแต่ไม่ทําประโยชน์ท่านประเภทที่3เนี่ยไม่ทําประโยชน์ตนแต่ว่าทําประโยชน์ท่านประเภทที่สนี่ทําทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านผู้าจารจัดว่าเนี่ยประเภทแรกนี่แย่ที่สุดนะคือไม่ทำทั้งประโยชน์ตนและไม่ทําทั้งประโยชน์ท่านคนที่กินแรงเพื่อนอันนี้ก็จัดอยู่ใน คนประเภทแรกนะก็คือว่างานส่วนรวมจะเป็นงานของวัดจะเป็นงานของโรงเรียนจะเป็นงานของบริษัทหรือหน่วยราชการตัวเองมีหน้าที่แต่ไม่ทำเนี่ยใบยเบี่ยงหลีกเลี่ยงนะอันนี้เป็นลักษณของการกินแรงอันนี้ก็เรียกว่าไม่ทําประโยชน์ท่านนะหรือว่าย่อหย่อนแล้วขณะเดียวกันการทําชะนั้นนี่ก็ถือว่าไม่ทําประโยชน์ตนด้วย แถมเป็นการบันรรนนะบ่นทอนประโยชน์ตนด้วยนะทำบั่นทอนยังไงนะก็คือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่รักเป็นที่นับถือเป็นที่เคารพของผู้คนใครที่เจอเพื่อนที่ชอบกินแรงเนี่ยนะเขาก็ไม่อยากคบหาส่วนคนที่ชอบกินแรงนี่เวลาเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็ไม่อยากจะช่วยเหลือ เจ็บนะป่วยก็ไม่มีใครไปเยี่ยมนะบางทีเวลามีงานศพพ่อแม่ตายก็ไม่มีใครอยากไปช่วยหรือไปร่วมงานอันนี้ก็พูดง่ายคือว่าเสียเครดิตนะภาษาสมัยใหม่เรียกว่าทำให้เครดิตนี่เสียไปคนเราถ้าเครดิตเสียมันก็ทําให้บั่นทอนประโยชน์ตนได้ แต่ที่มันยิ่งันนั้นคือว่าคนที่กินแร่เนี่ยนะก็เท่ากับว่าเป็นการปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวคร่อบงามจิตใจถ้าเราปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวคร่อบงมจิตใจความเกลียดคร้านนะคร่อบงำจิตใ จ, จ, จเนี่ยมันก็หาความสุขความเจริญได้ยากเพราะว่าพอมีความเกลียดคร้านพอมีมเห็นแก่ตัวแล้ว มันก็ไม่คิดจะพึ่งตัวเองและแถมก็พึ่งตัวเองไม่ได้ด้วยเพราะคนเราจะพึ่งตัวเองได้มันต้องมีความเพียรแต่คนที่เกียรคร้านเพราะว่าชอบกินแรงคนเนี่ยนะไม่มีทุนนะคือความเพียรที่จะเป็นเครื่องเป็นที่พึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยากที่จะประสบความเจริญแถมประสบความทุกข์ได้ง่ายด้วยเพราะเห็นกั่ตัวเนี่ยจิต ท, ที่คิดจะเอาเนี่ยมันได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจมันก็มีแต่ความทุกข์ นะเรียกร้องต้องการอยู่เรื่อยนะเวลอยู่ร้อนนอนทุกเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นการบั่นทอนประโยชน์ตนนะไม่ใช่แค่ไม่ทําประโยชน์ตนเท่านั้นนะแต่ว่าบั่นทอนประโยชน์ตนด้วยแล้วก็ไม่ทําประโยชน์ท่านอันนี้ในส่วนของเพื่อนๆที่เหลือเนี่ยอ่าจะทําอย่างไรนะเวลาเจอคนบงคลกินแรงเนะี่ยในหน่วยงานในองค์กร อย่างแรกที่ต้องทำหรือควรทำนั่นคือว่ารักษาใจไม่ให้ทุกข์นะมีคนเอาเปรียบเราแล้วเท่านี้มันก็แย่พอแล้วแต่ถ้าเราปล่อยใจให้ทุกข์ด้วยเนี่ยถือว่าซ้าเติมตัวเองนะเมื่อถูกเอาเปรียบแล้วเนี่ยอย่างน้อยนี่ก็รักษาใจไม่ให้ทุกข์อันนี้ก็ที่จริงมันก็เป็นหลักสาหรับเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะเช่นเจ็บป่วยป่วยแต่กายใจไม่ป่วย เงินหายของหายก็หายแต่ของแต่ใจไม่หายใจไม่เสียเนี่ยนี่อย่างยกที่ควรทาเลยนะเวลาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องเจอบุคคลที่ไม่น่ารักเนี่ยก็คือว่าหนึ่งรักษาใจไม่ให้ทุกข์อันนี้ก็เรียกเป็นการรักษาประโยชน์ตนนะถึงแม้ว่าเราจะทำงานเหนื่อยมากขึ้นหรือทำงานมากขึ้นนะเพราะว่าถูกกินแรงแต่ว่าให้มือเหนือแต่กายนะใจไม่เหนื่อยเมื่อสิบ ก, กว่ปีก่อนนะีมันมี รายการสารคดีรายการหนึ่งนะของไทยพีบเอสเนี่ยชื่อพลเมืองเด็กเขาก็เอาเด็กประมาณ 3-4 คนเนี่ยมาออกรายการทุกครั้งบางทีก็เด็กเล็กแปดเขวบบางทีก็เด็กวัยรุ่นหน่อย12 13เพื่อมาดูว่าเด็กเนี่ยเขาทำงานร่วมกันยังไงเขาแก้ปัญหายัางไงเวลาโจาประศักข์ครั้นึงก็ เ, เด็กประมาณ1 2บสอานะจำนวน3คนเนี่ย มาร่วมรายการมีผู้หญิงหนึ่งผู้ชาย2กิจกรรมอันหนึ่งที่ให้ทำก็คือว่าขนของขึ้นรถไฟรถไฟเนี่ยมันมีเวลาออกที่แน่นอนเพราะฉันต้องรีบขนนะแต่บังเอิญเนี่ยบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอนี่ขึ้นชกมีการถ่ายทอดสดนะสมจิตนี่เป็นนักชกเหรียญทองโอลิมปิกนะหลายคนคงจำได้ดงั้นพอมีการถ่ายทอดสดเนี่ยเด็กชาย2คนนี่ก็ทิ้งงานะไปดู การถ่ายทอดสดที่ร้านกาแฟาข้างสถา น, นีก็ไปให้เพื่อนเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยขนของคนเดียวเด็กคนนี้เนี่ยก็ขนของนะด้วยความกระตือรือร้นเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันใกล้จะออกแล้วพิธีกรเห็นก็เลยไปถามว่าหนูคิดยังไงที่เพื่อนเนี่ยเขาทิ้งงานไปดูสมจิตชกเด็กก็ตอบว่าหนูก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าหนู นะไม่ใช่เป็นแฟนสมจิตนะเพื่อนเขาเป็นแฟนสมจิตนะนานๆจะเห็นสมจิตขึ้นชกนะอแต่หนูไม่สนใจหนูก็เลยทํางานของหนูไปพิธีกรก็เลยถามต่อไปว่าแล้วหนูไม่ไม่โกรธไม่คิดจะด่าว่าเขาเหรอือที่เขาทิ้งหายหนูทําคนเดียวเด็กตอบดีนะเด็กตอบว่าหนูขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างนะ แล้วเด็กคนนี้ก็เลือกที่จะเหนื่อยอย่างเดียวถ้าเป็นเราเราจะเหนื่อยกี่อย่างนะเหนื่อยอย่างเดียวหรือเหนื่อยสองอย่างเหนื่อยสองอย่า ง, างคือเหนื่อยกายด้วยเหนื่อยใจแต่เด็กคนนี้รู้ว่าในเมื่อเหนื่อยกายแล้วเนี่ยก็อย่ายให้เหนื่อยใจเลยแล้วเด็กก็รู้ว่าเหนื่อยใจเพราะอะไรเหนื่อยใจเพราะโกรธเพราะบน่นนะคนเราเนี่ยถ้าก็มีใครมากินแดงแล้วเราบน่นเราโกรธเข้าเนี่ยนะเราเหนื่อยสองอย่างนะ อันที่1นคือเราทำงานมากกว่าเดิมอันที่2เนี่ยเราทุกใจความโกรธมันเผารลนใจนั่นคนที่ฉลาดนคนที่มีปัญญาเขาก็จะเหนื่อยอย่างเดียวนะเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเหนื่อยแต่กายทำงานหนักทำงานเพิ่มแต่ใจไม่ทุกนะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราควรทำนะและถ้าทนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการรักษาประโยชน์ตนหรือทาประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านก็ทําด้วยนะทำงานขยันขันแข็งประโยชน์ตนก็รักษาเอาไว้ด้วยการรักษาใจแม่ทุกข์อย่างนี้พระเจ้าสารเสวนะบุคคลที่ทําทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนี่พระเจ้าสารเสริญว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในบรรดา4ประเภทนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําไปบนไปทําไปบนไปนี่เราได้ประโยชน์ท่านแต่เราทําประโยชน์ท่านแต่ไม่รักษาประโยชน์ตนนะก็ยังถือว่าไม่ดีที่สุด อันนี้แล้วว่ารู้จักรักษาใจนะ แ, แล้วก็ตามเนี่ยเมื่อเรารักษาใจหรือทําจิตแล้วเนี่ยก็ควรจะทํากิจด้วย น, นะอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยเขากินแรงก็อาจจะทําให้งานส่วนรวมเสียหายหรือว่าไม่สําเร็จทันเวลาไม่เสร็จทันเวลาเราก็ควรจะมีหน้าที่ที่จะไปทักท้วงไปตักเตือนไปแก้ไขเขาแต่อย่าไปด่าว่าเขานะเพราะถ้าด่าว่าเขานี่ เราเองก็ทุกนะแล้วก็แถมจะสร้างปัญหาตามมาไม่ใช่กับเพื่อนอย่างเดียวกับส่วนรวมด้วยนะพอไปด่าว่าเามันก็เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มเลยเกิดการแบ่งกลุ่มแบ่งเราเนะื้รไม่หมดนะ เ, เราต้องรู้จักพูดรู้จักท้วงนะแต่ว่าบางคนนี่พูดไปทักท้วงไปก็ไม่สนใจก็ต้องมีอุบายนะอย่างเช่นถาาว่า หาทางรู้จักชมเขาบ้างนะคนบางคนเนี่ยเขาขี้เกียจเพราะเขาสิดว่าเขาไม่มีคุณค่านะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไม่เห็นคุณค่าของงานแต่ถ้าว่าได้รับคำชมจากเพื่อนนะแม้เขาทำที่ทำหน่อยก็ชมคนบางคนนี่เกิดกาลังใจนะนะคนที่เหลือขอเนี่ยเกียดคร้านการเรียนไม่สนใจเนี่ยถ้าพอครูชมเนี่ยนะ เริ่มมีกำลังเริ่มมีกำลังใจที่จะขยันเรียนขึ้นบ้างอันนี้มีตัวอย่างเยอะเลยนะเคยเล่าไปแล้วอันนี้บางทีพอเพื่อนๆชมนะแม้ว่าเขาจะทําได้ไม่ถึงมาตรฐานแต่ชมหน่อยก็าอาจจะมีกําลังใจความใยดีในใจเขาก็อาจจะมีกําลังเหนือความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะึว่าคนเราเนี่ยมันมีทั้งความใยดีแล้วความเห็นแก่ตัวหรือเจ้าตัวร้ายเราก็ต้องเพิ่มพลังให้กับความใ่ดีและนอกจากนั้นเนี่ยบางทีการเป็นเพื่อนเขาคุ้นเคยกับเขาสนิทสนมกับเขา พอชวนพอขอร้องเข้าให้ทำนูน่นทำนี่เขาก็ทำนะคนไทยเราก็แปลกนะถ้าเพื่อนชวนเนี่ยทำอะไรเนี่ยแม่ไม่อยากทำก็ทำนะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าไม่รู้จักกันนี่พูดยังไงก็ไม่สนใจนะแต่พอกลายเป็นเพื่อนไปแล้วขอร้องยังไงก็ทำนะเห็นแก่เพื่อนนะอ่าอันนี้ก็หลายคนทำแล้วได้ผลนะคือคือหันมา ทันมาเป็นมิตรกับคนแบบนี้พอเป็นมิตรมากๆเข้าพอขอร้องออกปากอะไรเขาก็เริ่มทําทำเสร็ก็ให้กําลังใจนะชมก็เกิดกําลังใจที่จะทำนะจากเดิมที่กินแรงแล้วนกะ็กินแรงมากก็เริ่มกินแรงน้อยแล้วก็ค่อยๆมีความสุขกับการทํางานจนกลายเป็นขยันหมั่นเพียรแต่ทําแล้วบางคนก็เหลือขอนะี่มันก็มีนะ วิธีนึงที่หลายคนเขาใช้นะได้ผลนะคือเลิกคบค้าสมาคมเลยนะภาษาสมัยใหม่เขาเรียกบอยคอรดนะความบาทนะอันนี้พระก็ใช้นะกับโยมเนี่ยโยมบางคนนี่เหลือขอมากๆนี่พระความบาทเลยไม่รับบาทไม่รับบินทบบา็ไม่คบค้าสมาคมเลยนะอันนี้ก็กอาจจะทำให้บางคนสานึกผิดนะว่าเนี่ยถ้าเรากินแรงเพื่อแล้วเนี่ยมันจะได้รับโทษแบบนี้แหละ ไม่มีใครครบคาสมาคมก็หันมานะขยันขันแข็งเพิ่มขึ้นนะอันนี้เรียกว่าถูกเพื่อนเนี่ยนะเขารวมหัวนะไม่คบคาสมาคมค่นบาทวิธีนี้ก็ใช้ได้ดีนะดีกว่าไปดา่าด่าไปบางทีเกิดเรื่องเกิดราวตามมาอันนี้ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะที่คนที่ มีปัญหาเนี่ยเพื่อนกินแรงเนี่ยก็ควรจะน้อมเข้ามาปฏิบัติและมันก็ดีกับตัวเองด้วยแล้วก็ดีกับส่วนรวมด้วย